มีลูกกวางตัวหนึ่งนะมันไปติดบ่วงในป่าบ่วงนี้ก็รัดตัวมันเลยแล้วมันก็ร้องลั่นทั้งป่าเลยมีผู้ชายคนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นก็เลยพยายามแกะบ่วงนะออกจากตัวกวางน้อยก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะเพราะว่าบ่วงนี้มันรัดแน่นมากลูกกวางนี้ก็กลัวคนนะพอบ่วงเนี่ยหลุดจากตัวนี่ มันรีบวิ่งเข้าป่าเลยเพราะว่าตกใจนะทั้งบ่วงตกใจทั้งคนนะคงไม่เคยเจอคนนะแต่มันก็เหลียวมามองอยู่ห่างๆไกลๆนะเมื่อมันรู้ว่าปลอดภัยแล้วผ่านไปหลายวันนะลูกกวางกับแม่นี่ก็มาหากินอยู่แถวริมถนน ก็พอดีชายคนนั้นเนี่ยเดินผ่านมาลูกกวางเนี่ยมันเห็นชายคนนั้นแต่ไกลๆนะว่ามันดีใจมากเลยมันส่งเสียงร้องแล้วก็รีบวิ่งมาที่ชายคนนั้นแล้วก็มอบนะมอบเหมือนกับซีโร ล, ลาบเลยนะให้ชายคนนั้นเนี่ยรูปผัวเบาๆมันก็ชอบด้วย จากเดิมที่กลัวนะวิ่งหนีตอนแรกที่พ้นจากบ่วงได้นะแต่คราวนี้นี่ตรงข้ามเลยนะมันไม่กลัวคนเลยอย่างน้อยไม่กลัวชายคนนั้นนะนะทั้งที่อยู่ใกล้แม่แต่ว่าก็พระแม่นะมาหาชายคนนั้นแล้วก็มาหมอบนะแทบเท้าชายคนนั้นก็ไม่รู้ว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะกี่ครั้งแล้วนะแต่ว่าภาพที่เห็นเนี่ยที่เขาถ่ายคลิปวิดีโอนี่มันก็เป็นภาพที่ประทับใจมากมันแสดงว่าอะไรแสดงว่ารูป ก, กวางนี่สำนึกในบุญคุณของชายคนนั้นแล้วก็ดีใจที่ได้เจอนะพร้อมที่จะมาหมอบแทบเท้านะ สัตว์นี่มันก็มีความสำนึกนะในบุญคุณของคนที่ช่วยเหลือแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะสำนึกในบุญคุณของคนเท่านั้นนะแม้จะเป็นสัตว์ด้วยการหรือเป็นสัตว์ต่างพันนีเขาก็มีความสำนึกในบุญคุณนะอย่างหมาตัวนึงเนี่ยนะมันตั้งแต่เล็กเลยมันไม่มีแม่นะมันก็อศสยนมวัว เลี้ยงชีพนะมีแม่วัวตัวหนึ่งนะก็ให้นมลูกหมาตัวนี้แล้วก็ให้โดยไม่ปรีปากปนเลยนะจนทั่งหมานี่โตก็กลายเป็นสนิทสนมคุ้นเคยนะกับวัวตัวนี้เหมือนกับนับถือเหมือนกับแม่เลยก็ว่าได้แล้ววันหนึ่งวัวตัวนี้เนี่ยเจ้าของนี่เขาก็ พาไปขายนะไปขายไปอยู่ที่คอกไม่ไกลนะจากบ้านเดิมของหมาตัวนี้หมาตัวนี้เนะี่ยพอแม่วัวหายไปนี่มันซึมเลยนะแล้วมันคงจะรู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่วัวมันซึมอยู่หลายวันนะตอนาำก็พยายามตามไปตามหาแม่ก็ไปเจอนะ อยู่ที่คอกไม่ไกลนะจากหมู่บ้านเนี่ยมันก็เฝ้ารอเฝ้าคอยป้วนเปื้นอยู่แถวนั้นละไม่ไปไหนเลยมันก็สีหน้าก็เศร้าสุดท้ายเจ้าของเนี่ยเจ้าของหมาเนี่ยทนไม่ได้นะต้องไปซื้อบัวตัวนั้นกลับคืนมาเพราะทราบซึ่งในน้ําใจนะของ ของหมาเนี่ยว่าโอ้มันมันรักวัวตัวนั้นเหมือนแม่เลยแล้วมันคงจะทนได้ยากนะถ้าเกิดว่าแม่มันเป็นอะไรไปอาจจะตอมใจตายก็ได้ด้วยความรักหมาด้วยความประทับใจนะในความกรตันอยู่ของหมาเนี่ยก็เลยนะตัดใจนะยอมจ่ายเงินคืนเอาแม่วัวกลับคืนมา อันนี้มันก็สารนึงความรู้สึกสำนึกในบุญคุณนะของของสัตว์นะที่มีต่อผู้มีพระคุณนะจะเป็นคนก็ดีจะเป็นสั ต, ตว์ต่างวัยก็ดีหรือสัตว์ต่างพัน์ก็ดีอันนี้แหละที่เราเรียกว่าความกระตันอยู่ในขนาดสัตว์นี่มันยังมีนะความกระตันอยู่รู้คุณต่อผู้มีพระคุณหรือผู้ที่ดูแลเลี้ยงดูเหมือนแม่เนี่ยมนุษย์เราเนี่ยยิ่งนะ ต้องมีสิ่งนี้นะที่จริงมันมีอยู่แล้วในสัญชตตาตญาณคนเรานะพอแม้กระทั่งศาสตร์ซึ่งมันไม่ได้มีใครสั่งสอนเนี่ยมันก็ยังมีความรู้สึกสำนึกในบุญคุณอย่างนี้เลยเพราะนั้นเนี่ยจงเรียกว่าได้ว่าเป็นสัญชตตาตญาณนะที่มีอยู่ในลูกนะทุกคนทุกพันธ์ก็ว่าได้เพียงแต่ว่าบางครั้งคนเราเนี่ย มันไม่ได้มีแค่สัญชาติญาณนะมันมีกิเลส ท, ที่ถูกปรุงแต่งด้วยความคิดนึกต่างๆที่ทําให้ไอความกตัญญูที่ควรจะมีโดยสัญชาติญาณนี่มันเจือจางหรือว่าผิดเพี้ยนไปอีกเรื่องนี้เนี่พุทธเจาเนีให้ความสําคัญนะเรื่องความกตัญญูต่อพ่อแม่เนี่ยเคยมีพราหมณ์คนหนึ่งนะมาถามพุทเจ้าเขาถามว่าเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยเลี้ยง าหาอาหารด้วยความชอบทำแล้วนำอาหารนั้นเนี่ยมาเลี้ยงดูแลพ่อแม่พรามก็ถามว่านี่เป็นสิ่งที่ควรทำหรือไมู่เจาตอบว่าเนี่ยถูกต้องแล้วนะนี่เป็นกิจที่ควรทำนะเมื่อหาพักษาหรือเมื่อขออาหารเข้ามาด้วยความชอบทำ คือไม่ได้ไปหลอกเขาแต่อาศัยศรัทธาของคนที่เขาให้ได้มาแลว้วก็มาเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่อันนี้เป็นกิจที่ควรทำผู้ที่ทำเช่นนี้เนี่ยนะเมื่อยังมีช่วย อ, อยู่ก็ย่อมได้รับความสารเสริญเมื่อตายไปก็ย่อมบันเทิงในโลกสวรรคนะ์ก็เรียกว่าย่อมให้ยังให้เกิดสุขทั้งในภพนี้และภพหน้า พุทธเจ้าแต่ ว, ว่าเนี่ยพ่อแม่นี่ก็เหมือนกับเป็นพรหมของลูกเป็นพระพรหมนะไม่ต้องไปหาพระพรหมที่ไหนละหาที่บ้านนี่แหละเป็นบุรพาจารย์ของลูกนะเป็นอากุณในายาบุคคลของลูกเลยอาคุณนยโยหรือผู้ครวรรับทักษิณาทานนี่ก็ถือเป็นคุณสมบัติของพระสงฆ์นะพระภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเราก็เป็น อาหุเนโยหรือเป็นอาหุนนัยบุคคลเช่นเดียวกันพระอาจารย์ใพระองค์ทรง ส, งสอนธรรมที่ลึกซึ้งมามากมายนะช่วยคนพ้นทุกบรรลุอรหัตผลมากมายแต่บางครั้งนี้พระองค์ก็ไม่ทิ้งนะการแก้ปัญหาชีวิตของคนบางคนนะเป็นปัญหาที่เรียกว่าเป็นปัญหาที่ดูมันสามมันนะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ผู้คนอาจจะประสบ ย่งมีพราหมีคนหนึ่งเนี่ยมามาปรึกษาพู้เจ้าเนี่ยว่าเขามีลูกอยู่สี่คนนะลูกชายสี่คนหวังจะพึ่งพาลูกยามแก่เพราะว่าลูกชายเนี่ยทั้งสี่เนี่ยกับภรรยาเนี่ยสมคบกันขับไล่เ้าเนี่ยออกจากบ้านไม่มีที่ไปแล้วเนี่ยจะทํำยังไงดีพู้เจ้านี่ใส่ใจนะ แล้วก็แนะนาเลยท้งออกแนะนำว่าอย่างไรแนะนาว่าเนี่ยเมื่อมีการประชุมสภานะสภาในสมัยนั้นเนี่ยมันก็มีการประชุมนะเพราะว่าเป็นหมู่เป็นเมืองที่มีการปกครองโดยแบบประชาธิปไตยก็ได้มีการประชุมสภาเนี่ยมีประชุมสภาเมื่อไหรห่ท่านเนี่ยนะไปที่สภานั้นแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่ามีลูกสี่ค น, นสมคู่กับภรรยาขับไร่ ข้าพเจ้าออกจากบ้านนะบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะถือเป็นอสสัตว์บุต ร, รผู้ลามกนะเป็นเหมือนจักที่แปลงกายมาทำร้ายพ่อแม่แล้วก็บอกว่าเนี่ยมีไม้เท้าเนี่ยยังดีกว่ามีลูกอัคันอยู่นะพอไม้เท้าเนี่ยยังไล่หมานะไล่สัตว์ไายได้เดินในที่มืดก็าอาศัยไม้นี่คอยอย่าง เจอล้มเจอบอ ก, ก็อาศัยไม้นี่คอยอยังว่าเนี่ยมันลึกแค่ไหนเวลาจะล้มอก็อาศัยไม้นี่คํากายแต่ลูกกระตันยูนี่มันไม่มีประโยชน์เลยให้ไปฟ้องนะไปฟ้องผู้คนที่สภาเนี่ยเพราได้ผลนะให้ลูกกระตันยูนี่ก็กลับมาสนใจพ่อแม่อันนี้สาวพระองค์เนี่ยนะ ไม่นิ่งดูได้นะคนที่มีความทุกข์แม้จะเรื่องเท่านี้เนี่ยพระองค์ก็หาทางช่วยเหลือเพราะถือว่าความกตัญญูนี่เป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาความกตัญญูต่อพ่อแม่ซึ่งดูเหมือนเป็น เ, นเรื่องพื้นฐานนะแต่จริงนี่เป็นเรื่องสําคัญเลยบางคนเนี่ยกตัญญูต่อพ่อแม่นะแต่ว่ามีความทุกข์เพราะว่าลูกๆคนอื่นมันไม่สนใจเลยมีแต่ตัวเองที่เลี้ยงดูพ่อแม่ หรือว่าดูแลพ่อแม่ในยามป่วยแต่ลูกคนอื่นไม่สนใจเลยมีความทุกข์มีความขับแค้นใจจริงๆถ้าเจอแบบนี้ต้องระลึกถึงคำของพระเจ้านะพระเจ้าบอกว่าเนี่ยบุคคลที่หาได้ยากมีสามประเภทนะหนึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองผู้ที่สอนธรรมวินัยที่พระตถาคตได้ทรงบัญญัติไว้นะ ก็ส่วนใหญ่กคงจะหมายถึงพระพิสูจสงฆ์โดยพราะที่ปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบ3บุคคลผู้มีกตันยูกระตะเวทีนะผู้มีความกตันยูกระตะเวทีคือรูกคุณของผู้อื่นโดยพราะบุปการีแล้วก็ตอบแทนคุณของท่านคนที่มีความกตันยูนี่ถือว่าเป็นคนหาได้ยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจคนอื่นที่เขไม่ความไม่มีความกตันยูนี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากเลย เพราะคนแม่กตัญญูนี่หาง่ายในคนกตัญญูนี่หายากแม้ว่าจะหายากลองลงมาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ผู้เผยแผ่พัต ธ, ธรรมวินัยเราะงั้นก็ให้ภูมิใจ ว, ว่านี้เราเนี่ยเป็นบุคคลหาได้ยากนะเพราะว่าไอ้ความไม่กตัญญูนี่มันเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายมากเพราะามนุษย์เราเนี่ยแม้ว่าจะมีสัญชาตญาณในการสํานึกบุญคุณแต่มันก็มีความคิดร้อยแปดนะ เช่เดี๋ยวนี้ก็มีความคิดว่าเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจให้เราเกิดมาเราเกิดมาโดยบังเอิญหรือบางคนก็คิดว่าเนี่ยเป็นเพราะความสนุกของพ่อแม่เราจึงได้เกิดมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะกระตันอยู่ไปทำไมหรือบางคนก็รู้นะว่าพ่อแม่ตั้งใจให้เกิดมาแต่ว่าอ้างว่าเนี่ยพ่อ AH แม่ไม่ได้ขอความยินยอมจากเราให้เราเกิดมาโดยที่เราไม่ได้ให้ความยินยอม มีนะฟ้องพ่อแม่เนี่ยว่าให้เราเกิดให้ผมเกิดมาโดยที่ไม่ได้ขอคำยินยอมจากผมก่อนหรือบางทีก็ไปโทษพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่เนี่ยที่ฉันทุกทุกวันนี้นพ่อพ่อแม่เนี่ยทำให้ฉันเกิดมาถ้าฉันไม่เกิดมาฉันก็ไม่ต้องทุกทุกวันนี้นะอันนี้ก็ประหลาดนะก็มีเหตุผลทำนองนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก็ที่จริงจะว่าไปมันก็มีทุกยุค ท, ทุกสมัยแต่ว่าสมัยนี้มันก็ความคิดแบบนี้ก็แพร่หลายมากขึ้น้เวลามีความสุขนะไม่เคยขอบคุณพ่อแม่แต่เวลามีความทุกข์ก็โทษพ่อแมนะ่เวลาประสบความสําเร็จนะมีชื่อเสียงก็บอกว่า เ, เป็นเพราะความสามารถของฉันแต่พอเวลามีความทุกข์เวลามีความสูญเสียพัดพรากงานการล่มเหลวก็โทษพ่อแม่วันนี้ทำให้ฉันเกิดมา ฉันเลยต้องมาเจอเรื่องแบบนี้นะน่มันเป็นตรรกะที่ผิดเทียนมากนะเวลาได้ดีก็ยกให้เป็นความดีของตัวแต่เวลาไม่ได้ดีเป็นทุกเนี่ยโทษพ่อแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดานะที่ผู้ผูใจตัดว่าคนที่กตัญญูนี่หาได้ยากนะฉะั้นถ้าเราเนี่ยอยากจะเป็นคนที่เป็นบุคคลี่หาได้ยากนี่ก็ต้องมีความกตัญญูนะให้มากมากนะ แล้วก็อย่าไปนึกถึงแต่ตัวเองมากเกินไปเพราะเดี๋ยวนี้มันมีความคิดแบบนี้มากขึ้นเรื่อย